กรบขอโอกาสหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์และพระเทาลเทานุเถระนวกะมชิมะตลอดตนสา ม, มเณรและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านประเด็นที่หลวงพ่อว่ามันเผอือมันเกิดเพราะอะไรอิเพ่ ง, ลงพหลวงพ่อขรัม่วงเกิดที่จริง ก็สติมันน้อยอ่ะบางทีก็เพลินเพลินที่เดินเดินได้อารมณ์แปลว่าจับรู้สึกตัวเดียวว่าเดินรับบมันเป็นสายต่อดังนั้นมันจะได้ว่าเดินเดินได้อารมณ์ตัวเบาตัวโล่งตัวปิตินี่อี ก, อ ก, อ ก, อ ก, อกตัวหนึ่งดะนั้นการที่จะหรือว่าทั้งความง่วงความคิดมันเป็นความเพลิน อย่างตุวงว่วงสาเหตุที่มันเกิดกะอะไรนังนแสดว่าเรารับประทานอาหารใหม่ๆนิ่ฉันเยอะแล้วก็อริยาบทเราเราก็จะเข้าไปเป็นกับมันดังนั้นที่เราเดินจงกรมเดินจงกรมไปบางทีที่กิงมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกดัวม า, ม า, ากมันจะเผลอเผลอเข้าไปในความคิดพอคิดเราจะไม่ได้เห็น มันจะเข้าไปในจิตแล้วก็ปรุงไปในความคิดเพลินในความคิดปรุงแต่งคิดค ด, ดีอย่างที่เราทำมาเนี่ยตั้งแตช่วงนี้ไปวันนี้ช่วงหลังๆมานี้เรามีความคิดดีคิดดีแล้วก็จะเพลินเพลินเดินจงกรมก็เดินบนทีนี้แต่นั้นเวลาเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราพยายามหยุดก่อนตั้งสติพอไปถึงทางจงกรม ปกติเราจะรู้สึกที่เท้ากระทบวะทบพอมาเดินจงกรมมาหยุดหยุดเราดูรูปรูปยืนหรือเรามาเปลี่ยนเรียบแบบมารู้อยู่ที่ที่ตากระพริบก็ได้หรือมาที่ยืนจงกรมเราก็สร้างจังหวะสักรอบหนึ่งพอกระตุกให้กลับมารู้ที่ส่วนอื่นหรือจะทำเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยกระพริบตาแล้วสักอันนึงแเ้วก็เดิน เดินก็พยายามที่จะให้รู้ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งกระทบรู้ก่าทบรู้ไปยิงเราก็สามารถเรียนรู้จากทางเสียงทางตาที่เราเดินเดินไปเสียงนกร้องเสียงอะไรนี้เราก็พยายามคือคือไม่ให้จิตเรามันรู้อยู่ที่กายอย่างเดียวเอาจิตเอาใจไปเอาหูไปฟังทางเสียงวิตาเห็นรูป ตรงนี้ดัะนั้นถ้าเราเดินเดินแช่เดินบนอาจจะยิ่งเดินนานๆเนี่ยก็ได้อารมณ์เดินเดินเดินวันนี้รู้สึกตัวดีได้อารมณ์เบาโล่งเราเราจะติดอยู่เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันหรือแต่ละครั้งที่มาปฏิบัติเราเราจะเดินหาเอาตัวเบาตัวโล่งตัวสบายแต่นั่นก็คือความความเพลินอีกอย่างนึงเพลินเข้าไปหลงในมันก็เป็นปิติตัวหนึ่ง วิเบาโล่งเดินถ้าวันไหนเราเดินไม่ได้อารมณ์อย่างนี้วันนี้โอ้วัน น, น, นี้วันนี้ไม่ได้อารมณ์หนักง่วงคิดแต่ที่ตัวนั้นหละที่มันถ้าเกิดให้เราเห็นแต่เราไม่เอามันแต่เราจะไปเอาแต่ความโล่งความเบาความโล่งความเบาความปร่งที่เราเคยได้ปิติเกิดความพอใจเราก็จะเดินหาเดินหาพวกนี้อย่างตง่วงที่ทาไมง่วง ทีง่วงมันก็เผลอเข้าไปอีกละเผลอลืมลืมกายลืมใจตัวเองอตัวสติที่จะย้อนเข้ามาดูความรู้สึกตัวเนี้ยที่กายแล้วลการเปลี่ยนอริยบทสำคัญมากอย่างที่เราส่วนมากเราทุกข์หน่อยเราก็จะไม่อยากจะเอาเราจะเอาสบายสบายเวลาเราเดินเดินไปพอเหนื่อยมาสักพัก ที่เหนื่อยทุกกใ็ให้ให้ให้กําหนดรู้เห็นอาการของมันอย่างเวลาเราเดินเดินไปนี่ว่าให้ยืนสร้างจังหวะก่อนพอเราเดินเดินเดินมานเหนื่อยเราปฏิเสธอริยบทจะย่อยเราก็จะไปนั่งเลยนั่งเก้าอี้พอนั่งเก้าอี้เราก็จะพิงมันเหนื่อยพอพิงยกมือยังไม่ถึงสามนาทีห้านาทีมันไปแล้วหลับเพราะฉะนั้นการนั่งที่นั่งเก้าอี้นี่เรานั่งเพื่อผ่อนคลายเราไม่นั่งเพื่อจะ เสพความสบายไง น, นั้วเราก็ขึ้นนั่งจะไปพิงนั่งเพื่อผ่อนผ่อนคลายแล้วก็สร้างแกงแหวดูอาการเวลานั่งลงเห็นอาการมันเป็นยังไงอยากนั่งแล้วมันสบายพอสบายถ้าจะพิงเราก็สบายสบายเกินไปมันก็เผลอเผือก็หลับอันนั้นเวลานั่งเราก็จะนั่งเพื่อผ่อนคลายทุกที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูสังเกตจิตมันจะชอบ บ่ความสบายเรานั่งพิงนั้นเราก็ทั้งคือคือเปลี่ยนอิทธิบาตรในขณะที่มันเวลาคมง่วงจะมาเนี่ยเราต้องลองสังเกตดูว่าถ้าเราละเอียดเลยสังเกตบ่อยๆก็คือพอมันง่วงมาหนังตาจะมาก่อนด้วยอย่างเงี้ยมันจะเลิเริ่มมาแล้วก็เริ่มสลับเริ่มเปลี่ยนอิทธิบาตรจากที่เรานั่งแค่หรือนั่งเราพยายามเปลี่ยนอยู่ ขณะที่เรานั่งเวลาเรานั่งเนี่ยเวลามันปวดมาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนนะคุณก็ตั้งตั้งใจที่จะเรียนรู้เพราชฉะนจะเปลี่ยนแบบไม่รู้แบบไม่รู้สึกตัวไงส่วนมากจะไม่ค่อยรู้แล้วก็คือเปลี่ยนแบบสัญชาตญาณการที่จะเข้าไปรู้แล้วก็เปลี่ยนเพรมันมันเป็นทุกเราเปลี่ยนมาแล้วก็นั่งคราวนี้แล้วก็เปลี่ยนมาการโยกการเคลื่อนการไหวแล้วก็เปลี่ยนตอนนั่งไปอีกไม่ถึงห้านาที ตัวเวทนานี้มันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะพยายามเรียนรูน้ตัวนี้ถ้าเราเรียนรู้อยู่ตัวนี้บ่อยๆการเห็นการเกิดการดับของของกายแล้วก็ของจิตมันก็จะค่อยๆสติเราก็ค่อ ย, อยๆเร็วขึ้นแล้วก็น้าก็เดินแบบเดินหาอารมณ์โล่งเบาเป่าบวงสบายเดินได้วันต่อกัเสร็ชั่วโมงสองชั่วโมงเวลานั่งก็นั่งแค่นานๆนั่ ง, ง, งแล้วก็จะพยายามจัดจ้องอย่างนี้ ไม่ไม่เผอก็เพ่งอ่ะแต่นี้มันก็จะได้อารมณ์วันนี้โอ้นั่งได้อารมณ์สงบนิ่งทำไปทำมาเส้นเอ็นก็ยึดก็เป็นปวดเป็นมันมันมันทำมาหลายปีที่เราไปเพ่งไปจ้องมันแต่เราเราไม่ทำตามตามสบายตามที่การรับรู้ทางอายตนะภายนอกก็ภายในสู่ภายนอกแล้วก็เข้าไป เรียนรู้กวเป็นจริงที่มันเกิดนั่น ก, ก็พยายามนะพยายามให้รู้สึกตัวนะก็คงจะขอฝากไว้ว่าอยา่าเผือการที่จะเปลี่ยนอริยาบทนี่คือมันก็จะมีทุกข์ให้เราเห็นคือกายเวลาเรานั่งเราอะไรก็เปลี่ยนพอวันนั้นเรามาพอที่มันจะเปลี่ยนเราก็ต้องสังเกตสังเกตแล้วก็เอว่าเกิดขึ้นแต่สําคัญคืออริยบทที่มันเอื้ออํานวยต่อ การที่เราจะนั่งหลับนั่งเผล่ น, นะครับมีที่นิ้วฟังตั้งสังเกตของอาจารย์ทวิตแล้วคือมุ่งแก้ที่ที่ผลกันนะคือถามว่าความเพลินอะไรไเป็นเหตุให้เกิดความเผลนที่พอมันเผลนไปแล้วมันทําให้ง่วงหรือทําให้คิดก็พยายามที่จะไปแก้ตรงนั้นนะแก้ทุงที่มันง่วงโดยการเปลี่ยนที่จะบด แต่ท่านบอกว่าอีกอันหนึ่งเราไปแช่ในความสบายเราก็อเดินก็เดินหาความสบายเดินหาความเพลินคือหมายถึงว่าเราไปทำอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามนั่งก็นั่งนานๆโดยเฉพาะนั่งเก้าอี้มันมันเพลินได้ง่ายที่เรากาลังถามหาอะไรทาให้เพลินนะแต่เพลินเนี่ยมันทำให้เกิด แน่ไอ้ไอารมณ์ต่างๆในฝ่ายนี่วอนแน่นอนแต่เราก็ไปตามแก้แก้อย่างน้นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ยังไม่จบถ้าทุกบอกว่ามันเกิดอยากจะให้มันอยากจะให้มันมันสบายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าสบายในส่วนไหนความอยากเป็นอาการของจิตแต่กายนี้ไม่ได้อยากนะท่านนาเสนอว่าให้ให้แก้โดยการโยนจิตออกข้างนอกฟังเสียงอะไรนก ดูอะไรไปไกลๆเพื่อไม่ให้จิตมันเข้าไปข้างในมันจะง่วงซึ่งนี้ก็เป็นวิธีแก้กันโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็ไม่เสด็จนะพยาติหลายคนก็แก้แก้อยู่ยางนีนนะ้มาฟังประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์เข็มน่อนะอาจารย์เข็มนี่เรามามีประสบการณ์ทางด้านนี้การถให้ความเคารพหลวงพ่อพระอาจารย์ทุกดูดนะครับน้องยอนไปครั้งแรกนะ แต่ประเด็นที่ให้มาเจาะว่าอะไรทำให้เผอให้เพลิน ใ, ให้หลงนี่นะในกลุ่มนีนะ้คือถ้ามันไม่รู้สึกตัวชัดธรรมดาเนะี่ยมันก็จะเรียกว่าเผอรหรือว่าหลงเผอเพราะมันไม่รู้ชัดมันเผอไผ่ถาลายเข้าไปในถ้าภาษาชาวบ้านเขาว่าจินตนาการของจิตถ้าที่เราเฝ้าดูก็คือเรา มันเผอเข้าไปในนามรูปรูปที่มันเกิดในใจของเรานะ่จะเป็นรูปของความหมายหรือจะเป็นรูปภาพหรือเราตึกนึกเรื่องใดห่วงกังวลอันไหนไม่ว่าจะเป็นของไม่ได้เก็บวัตถุสิ่งของที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละพอมันเข้าไปพาดพวกนี้เข้ามาเราไม่รู้สึกตัวเราก็เพลินไปในเรื่องในสาละที่มัน เกิดขึ้นไม่รู้สึกตัวชัดมันเผลอเพราะมันเร็วมากพอภาพมันเกิดขึ้นหรือความหมายมันเข้ามาเราก็เพลินเข้าไปปรุงแต่งเป็นสังขารถ้าฝ่ายดีก็ปรุงแต่งในคุณงามความดีไปจะไปสร้างอย่างเงินอย่างนี้สร้างสำนักสร้างลูกศิษย์ลูกหาสร้างสร้างสร้างเพราะไม่รู้ชัดมันก็เผลอเผลอแล้วมันก็เ พ, เพลนเพินในสังขารปรุงแต่งของเรา จะปรุงแต่งไปทางโลกีจะไปปรุงแต่งทางโล ก, กุตละก็เป็นเรื่องของจิตที่เป็นกุศลอกุศลละถ้าถ้าเราจะไม่พัดหลงเข้าไปในโด่งของความคิดนกปรุงแต่งก็ต้องรู้ชัดแบบธรรมดาแต่ถ้าชัดเกินไปก็กลายเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นความทะยานอยากที่จะชัดอีกเราจะทำยังไงที่มันจะธรมธรมดาธรรมดา นั่งนานไปมันก็แช่เหมือนพระ อ, อาจารย์ทวินว่าแต่นั่งนานมันได้ประสบการณ์ของความละเอียดแต่มันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของร่างกาย <c oughs> เช่นเอ็นตึงเขาเคยนั่งแล้วนั่งแล้วเมื่อยเจ็บมันก็เรียกร้องให้เปลี่ยนท่าแล้วยิ่งคนใหม่ๆยิ่งปวดทรมานพอมันเรียกร้องให้เปลี่ยนท่าแล้วเขาเปลี่ยน ตามอำนาจความปรารถนาหรือความเรียกร้องมันก็ไปตามความเคยชินนหล ะ, ะเพินกับเพินกับเผลอมันเหตุเดียวกันไหมใช่เพินกับเผลอมันเหตุเดียวกันไหมเพินเนี่ยมันเพินในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเพินไปแล้วเหตุที่มันเผล่นเนี่ยเหตุที่มันเผล่นเนี่ยมันขาดสติที่ รู้สึกกิดกายชัดรู้สึกกใจชัดมันไม่นิ่งความรู้กายรู้ใจไม่นิ่งไม่เสถียรมันก็เผลอเพราะไม่รู้กายชัดถ้าเพลอนี่ไปเพลนในยิ่งในอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นต้นเหตุของความของเผลอของเผลอต้นเหตุของความเผลอกับต้นเหตุของความเพลน <c oughs> ผมก็ไม่เคยวิเคราะห์แบบนี้สักทีเกือบยี่สิบปีมาก็รู้แล้วก็ทิ้งทิ้งๆงเพราะว่าต้องการที่จะลบภาพที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ว่าภาพโป๊เบยหรือว่าคา <c oughs> ชมคาด่าหรืออะไรประมาณนี้ต้องลบทิ้งให้หมดนะผมฝึกตัวอย่างนี้ถ้าก็เจ่อลึกเข้าไปละเอียดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องต้นเหตุของความเผลอกับความเพลิน ออมาคนลกเหตุละเหตุเดียวกันถ้าย่อยลงไปลึกๆนี่ผมมองไม่ออกครับหลวงพอ่อจะเจาะลงไปลึกๆนี่ผมผมไม่รู้เพราะว่ามันดูแล้วแล้วมันเป็นภาพเนียนมากครับเนียนมากมีแดดถ้ามันเกิดกับประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นก็คือถ้าเผลอเนี่ย มันก็เผอไปในความคิดได้เรื่องราวแต่ถ้ามองมันเป็นชั้นๆของมันก็มันไม่รู้สึกตัวชัดมันก็เผอพอเผอแล้วพอมันได้เรื่องแล้วมันก็เพลินถ้าว่ามันมาจากไหนผมว่ามันมาจากอาการเดียวกันตัวเดียวกันครับ